ตอนอบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กันยายนถึง5ตุลาคม2558ตอนที่8ก็มีคำถามนะมากพอสมควรก็ก็ต้องไปเร็วๆหน่อยหนึ่งนะในการปฏิบัติเห็นแต่ความว่างเปล่าไม่เห็นเหตุการณ์ในอดีต มีแต่อาการหมุนวนและมองเห็นเพียงความว่างแต่จิตใจสงบนิ่งไม่มีความคิดใดปรากฏร่วมขณะที่ทำอย่างนั้นเรียกว่าการเข้าถึงจิตหรื อ, อยังคะ อ, อ, อย่าไปสนใจว่าเข้าออกหรือเปล่านะไม่ใช่เราไม่เห็นนะเราเห็นความว่างเราเห็นอาการหมุนเห็นธรรมคือเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับเรานะ เห็นเราเจ็บเราก็เห็นธรรมแล้วนะเห็นอารมณ์นั่นแหะคือเห็นธรรมเนาะส่วนคําว่าจิตเห็นจิตคือมรุษเนี่ยเอาเป็นว่าที่มันหมุนแล้วนี่เราสตาร์ทเครื่องนี้ติดแล้วล่ะจิตมันทํางานแล้วจากนี้ไปเนี่ยมีหน้าที่แบ่งปันให้เขานะเราเราก็เห็นความว่างเราก็เห็นสักแต่ว่าเห็นอย่าหยุดนะสักพักหนึ่งความว่างมันก็หายไปความไม่ว่างก็มาแทนที่ นั่นแหละไม่ใช่เราไม่เห็นนะหนึ่งเราเห็นความว่างสองเราเห็นอาการหมุนวนนั่นแหละพอแล้วนะส่วนเห็นอดีตชาติหรือเปล่าเนี่ยอดีตชาติเนี่ยไม่ใช่มหาสติปทานนะอดีตเขาไปเห็นอดีตชาติเนี่ยเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณมันเป็นญาณรู้อย่างหนึ่งเป็นอภิญญาอย่างหนึ่งเป็นทิพยจักรสุอย่างหนึ่งมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครูบาอาจารย์เราที่อีสานเนี่ย เออท่านพุโทโธอย่างเดียวนะทำไปเรื่อยๆก็บรรลุทาได้แต่ใช้เวลายาวนานหน่อยหนึ่งต้องหนีไปอยู่ในป่าเลยเต้องหลีกเลี่ยง ก, กับการกระทบไม่ต้องสร้างก ร, รมใหม่อันนั้นสะสมแต่งไปเรื่อยๆนะแต่ที่พวกครูไม่ใช่พวกคูเลือกนะสามชั่วโมงมันเกิดขึ้นกับพวกครูเองพวกคูเห็นว่ายุคนี้โลกมันเปลี่ยนสิ่งเล้าใจมันเยอะกิเลสมันพัฒนาไปตามเทคโนโลยีมันขี่จรวด สมมติตอนนี้เราจะสู้ศึกสงครามกับพม่าเราจะขี่คอช้างถือเงี้ยวถือเงาวฟันดาบเหมือนเก่าได้ไหมมันไม่ได้ผู้เจ้าไม่ได้บอกเราอนุรักษณ์นะผู้เจ้าบอกว่าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยคนมีปัญญาต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกถ้าเราอนุรักษ์แบบเก่าๆนะพอเราตายปุ๊บเนี่คนรุ่นใหม่เขาไม่เอามันก็สูญพันุ์วิธีการเป็นแค่อุบายวิธีวิธีการต้องเป็นไปตาม เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงเห็นหมหยุคนี้เราไม่ใช้เทคโนโลยีก็ไม่ได้แล้วเห็นไมไปสู้เสืสอสงครามมาฝึกฟันดาบกันได้ไหมก็ไม่ได้แล้วทุกอย่างมันเร็วขึ้นโดยไฝึกสติแบบช้าๆเนี่ยนะมันไม่ทันนะต้องต้องศึกษาพุทธธรรมเนี่ยต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ไปซื่อบื้อแบบนั้นนะเอาเปนว่า ก็อย่างน้นอยๆเราเห็นแล้วว่าเออเห็นความว่างเห็นความเบาสบายชีวิตเรามันวุ่นวายมากอันนี้เราก็เห็นความว่างเห็นความว่างก็คือเห็นธรรมเห็นความเจ็บปวดก็คือเห็นธรรมนะเห็นความจริงว่ามันเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละไม่มีอะไรผิดนะส่วนบางคนเนี่ยที่จิตต้องพาไประลึกชาติอะไรบ้างเนี่ยบางอย่างจิตปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เชื่อเขายังเกิดข้อกังขาจิตเดิมเขาจะพาไปดูบางคนไม่ต้องไปนะ เพราะครูสามชั่วโมงนั้นไม่ได้ไปสามชั่วโมงอยู่ปัจจุบันมันทำเห็นอาการทั้งหมดมันระเบิดตุ้มเราไปทีหลังไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไปได้แล้วตอนนี้นะแต่บางคนต้องไปก่อนนะไปให้มันคลายความลังเลสงสัยนะทำให้จิตปัญจบามันมีปัญญาแล้วก็ปล่อยวางไอ้ที่เรายึดมั่นถือมั่นเนะเวลาเข้าในจิตแล้วพอดึงเอาดึงเขาออกมาแล้ว ทำไมรู้สึกมึนและปวดหัวมากจะอาเจียนและอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลออกมาเองทั้งที่ไม่ได้อยากลองอันนี้เป็นธรรมลมนะเพราะครูถึงบอกหลก่อนจะหยุดเนี่ยให้มันช้าลงช้าลงช้าลงช้าลงหายใจเขาลึกๆ ก, ก่อนถ้ามันยังหนักตรงไหนเนี่ยกำหนดไปใส่ตรงนั้นนะแล้วก็กดไว้นะแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆอันนั้นเหมือนเรา อย่างเขาล้างชักโครกมันมีไอ้เครื่องปั๊มเห็นไหมนั่นแหละกดมันไวแล้วมันก็มันจะคลายอารมณ์นั้นออกมาคลายธรรมอารมณ์ออกเมื่อเบาสบายดีค่อยเหถ้าเราหยุดทันทีเลยเนี่ยมันจะค้างหนักหัวหนักไถ่ทอยแล้วทีนี้มันกำลังจะอาเจียนนี่มันอยากจะปล่อยออกมานะนี่คือสัญชาตตายานเวลาเรากินอะไรผิดเนี่ชีวิตเราบางทีมันอาเจียนออกมาเชื้อโรคเข้าทางปากออกทางปากระวังนะไ อ, อ้อร่อยอร่อยแซบแ ซ, บ, ซบเนี่ย นะผู้บริหารโรงเรียนเราสมัยก่อนเป็นเด็กบรร น, นอกคนหนึ่งนะเออพ่อครูก็ส่งเสริมแล้ตอนนี้ก็จบมาเป็นผู้บริหารสมัยก่อนคนอีสานเนี่ยเขากินส้มตํานี่ไม่ใช่ตํามะละกอนีมันตําพริกอ่ะแดงไปหมดเลยแล้วมันก็กินเข้าไปมันบอกแซบชิบหายเลยมันรู้นะชิบหายมันก็ใส่เข้าไปนะจนไปโลคกระเพาะกันหมดนะแซบชิบหายนะเชื้อโลกเข้าทางปากนะแล้วเวลามันออกมันก็ออกทางปากอีก เวลาเราพูดดีเป็นสีแก่ตนนะเขาก็รักเราเวลาเราไปว่าเขาเนี่นแหละเชื้อโลกต้องระวังนะว่จีกรรมเป็นเรื่องอาการปกติถึงว่ามันไม่ได้ผิดด้วยนะถ้าผิดก็ผิดผิดพลาดไม่ใช่ผิดหรือถูกเจ้าชายชิดตะก็ไปทดลองทดสอบน ะ, จะเจริญทุกขละกิริยาทรมานสังขารก็ไม่บรรลุธรรมแต่ไม่ได้ผิดถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ อย่างน้นอยๆท่านพิพสูจน์แล้วว่าเฮ้ยการสุดโตง่งทรมานสังขารไม่ใช่ทางผลทุก์มันก็มีคําตอบถ้าไม่ลองทําดูมันก็ไม่รู้ทางสายกลางนะอันนี้เราก็ต้องลองเห็นไหมหลังจากอุ้ยมันหนักหัวแล้วต่อไปเรานั่งเองอยู่บ้านเราจะเลือกเวลาที่มันเบาที่สุดแล้วก็หยุดตอนนั้นไม่ใช่หยุดกลางคันแต่บังเอิญคนเราหมู่มากมีเวลาจํากัดอย่างเมื่อวานเกิดเวลาเกิดนั้นนะนะพาะครูบอกคุณก้อยว่าคนที่เป็นอาการแบบนี้เนี่ย เปิดวิกาลให้มาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งพี่เลี้ยงเราไม่ได้ไม่ได้หยุดนะบอกเอาหยกเลยเอาอยกเลยในแง่เราดีใจนะที่มันเกิดอาการแบบนี้จิตมันกำลังจะสำลอกไอ้ที่เราสะสมไว้ความเครียดหรือว่าวิบากกรรมนะนะมีครอบครัวหนึ่งแม่เวียงทุลนทุลายลูกมาเชียร์แม่บอกแม่ตายเลยตายเลยถ้าเป็นทางโลกมึงแกงแม่เนี่ยมึงบาปนะ บอกแม่ตายเลยบางทีลึกๆนี่เรากลัวตายเราจะหยุดไงแต่ถ้าเราไม่กลัวตายเรายอมตายพูดบางทีบรรลุธรรมเลยนะนะไอแนวนี้ต้องทําความเข้าใจไม่ ง, งั้นเราจะเข้าใจผิดเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นผีเข้าหรือเปล่านี่ไหจิตหลุดพ้นมันจะหนีไปไหนหรือเปล่าเนี่ยพ่อครูบอกแล้วว่าถ้ามันมีอันตรายแม้แต่นิดนึงนี่พราะครูจะหาเรื่องมาทําไมชีวิตพ่อครูหยุดแล้วเนาะสำคัญว่าเราต้องทําความเข้าใจมันเกิดอาการเพราะอะไร ถ้าเรานั่งเลยไม่มีอะไรเลยสบายสบายนะี่ยจิตยังไม่ทํางานเสียเวลานั่นแหละที่มันทํางานแล้วเนี่ยมันจะฝ่ายบวกฝ่ายลบนั่นแหละขอให้จิตมันหมุนแล้วดําเนินไปแล้วสุดท้ายถ้าเรานั่งคือบ้านคนเดียวเนี่ยเพราจิตไม่ใช่เขารอมาหลายปีนะเขารอมาหลายชาติแล้วเขาต้องการปลดปล่อยตัวเองเมื่อเขาเจอทางแล้วนี่ยเขาพยายามสะสางคดีความและในขณะที่เขาสะสางคดีความเนี่ย เลือดลมมันก็วิ่งเขาก็ปรับสมดุลร่างกายเราภูมงคุ้มกันมันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะไม่กล้าอยู่กับเราเลยมันกลัวมากนะกิเลตก็กลัวนะมันกลัวเราเวียงมันทิ้งโรคภัยไข้เจ็บมันจะกล้าอยู่กับเราทําไมทุกวันนี้เรามีจะไปรักษาโรคพราครูบอกอย่าไปรักษามันไว้เวียงมันทิ้งเราไปรักษาโรคไงรักษามันไว้นานๆจะได้ขายยาไปเยอะๆเนี่ยรักษาโรคเรารักษาคนเวียงโรคทิ้ง จิตมันไม่โง่นะถ้าจิตมันสลาดแล้วเนี่ยมันจะรักษาคนน่ยมันต้องการอาศัยร่างกายคนนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือเดินทางไอ้โลกมึงไปไกลๆหรือมันจะเวียงโลกทิ้งนะมันกลับกันนะสำคัญว่าไม่ต้องกลัวเพราะเกิดอาการแปลกๆระบบผิดปกติสังเกตไหมพอเราปวดหัวท้องอืดท้องร่วงเราบอกว่าเราผิดปกติเราก็ไปกินยารักษาแก้ปวด ท้องอืดท้องร่วงปวดหัวเป็นเรื่องปกติแต่เวลาไม่ปกติตอนที่เรากินอย่างไม่บัญญะบัญรยังคิดอย่างไม่บรญยญับัรรยังนั้นมันผิดปกติร่างกายมันก็ปรับสมดุลไอ้การปวดหัวมันเตือนว่าให้เบาๆหน่อยไอ้น้องใช้สมองเยอะเกินไปอเราก็ไปกินยาละงับมันแล้วก็คิดอีกมันเป็นสัญญาณเตือนภัยนะท้องอืดท้องล่วงก็เหมือนกัน เธอกินของผิดขึ้นไปมันก็ปรับสมดุลกับมันมันคือความปกติแต่ความไม่ปกติเกิดขึ้นที่เราไม่บัญญะบัญยังใช้สมองกินอย่างไม่ระวังเห็นไหมร่างกายมันมาสจัรนนะ์นะเรามีอมมูนซเเรามีภูมิคุ้มกันโลกโดยธรรมชาติด้วยตัวเราสุนัขเราเลี้ยงไว้เนี่ยอย่าเลี้ยงมันดีเท่าไหร่นะพอมันไม่สบายเนี่ยนะ มันไปกินหญ้าเนี่ยหญ้ามันเหมือนสมุนไพรอย่างหนึ่งมันไม่ใช่รักษานะมันกินปุ๊บมันจะอาเจียนออกมาอ้วกมันจะมันจะดีทอกแล้วมันก็ไปนอนที่เย็นๆสักสาวัน4ี่วันเนี่ยมันไม่จะกินอาหารเมื่อไม่กินอาหารแล้วเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารตัวหนึ่งมาขับพิษใครเป็นมะเร็งนะวิธีรักษามะเร็งที่ดีสุดไม่ใช่ไปกินชีวจิตชีวจิตน่ยอาหารนั่นเป็นอาหารที่ไม่ไปเสริมมะเร็งเท่านั้นเองไม่ใช่รักษา วิธีรักษามันก็คือว่าไม่ต้องกินอะไรเลยลองทำได้เดือนสองเดือนนะหายหมดแต่เราต้องมีอยู่ด้วยพลังจิตถ้าไม่ไม่มีพลังจิตสบวันเราก็เดี้ยงละที่นี่เราเจอนะที่ว่านางสาวเอมานั่งอยู่นี่นะมันไม่กินข้าวสาบสาวันเห็นหจิตมันมีพลังจิตและไอ้ขันไมไขมันที่เราสะสมไว้เราอยู่ได้ตั้งนาน ที่คนนั่งชานสมาบัติอยู่ตั้งหลายเดือนตอนนั้นแหละธรรมชาติร่างกายเนี่ยมันจะเอาไอ้ที่ไขมันเนี่ยมาเลี้ยงตัวเองมาเลงมันไม่มีอาหารเดี๋ยวมันอ่อตายเองแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยใครก็ทำไม่ได้สามวันก็ตายละเราทนความหิวไม่ได้ความหิวนี่อุปทาน26ปีพระครูไม่รู้คำว่าหิวคืออะไรมันหายไปหมด เพราะร่างกายเราไปติดมันคุ้นเคยแล้วไงวิทยาศาสตร์บอกว่าเฮ้ยเคยกินอาหารเย็นเลิกกินอะไรพวกพระไทยก็เป็นโรคกระเพาะหมดสิเพราะเขาไม่คุ้นเคยถ้าเราเราอย่าใช้พลังงานเราเยอะอย่าเครียดแล้วมีพลังจิต ด, ด้วยไม่กินเป็นเดือนสองเดือนก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยนี่คือพลังจิต สวันแล้วที่หนูทําสมาธิรู้สึกเหนื่อยมากเวลายืนแต่เวลานั่งเบาสบายมากเลยแต่ก็ไม่พบอะไรคะ่ะหรือว่าสมาธิยังไม่เกิดเลยไม่พบอะไรคะก็พบแล้วไงเห็นว่าเราเหนื่อยไงเหนื่อยนั้นคือเวทนาอย่างยิ่งนะไม่ใช่ไปเห็นโลกสวรรค์นะเห็นธรรมคือเห็นอารมณ์ธรรมอารมณ์ ก็เห็นว่าเราเหนื่อยแล้วเวลาเรานั่งเห็นว่าเราเบาน่าเห็นเบ า, น า, เนาเบาไงนั่นแหละแค่นั้นก็พอแต่อ ย, ย่าหยุดนะทำไปเรื่อยเรื่เดี๋ยวจิตมันจะเปลี่ยนโปรแกรมเองไม่ต้องกังวหลหรอกทำได้หรือไม่ได้นะพอวันที่มันทำได้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่มีข้อสงสัยเลยเราจะรู้ได้เฉพาะตนนะอย่าง น, น้อยเราได้อะไรไหมเราก็มาอยู่กับตัวเองเห็นว่าเราเหนื่อยเห็นว่าเราเบาไง แต่ชีวิตเราไม่อยู่กับตัวเองตื่นเช้ามาก็คิดไปอยู่กับคนอื่นเห็นไหมอันนี้เรามาอยู่กับตัวเองเราเห็นว่าเราเหนื่อยเราเบาเนี่ยเราเห็นทำแล้วนะได้วันนี้แค่นี้ก็แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มืลืนนี้เดี๋ยวมันเปลี่ยนนะอย่าหยุดนะพระพุทธองค์พูดว่าหนทางแห่งพุทธเนี่ยมีจุดอ่อนสองอย่างคือหนึ่งไม่ยอมเดินทาง สองเดินทางแล้วไม่ยอมเดินต่อจริ ง, จ ร, ง, จ, รงจริงแล้วหนทางพระองค์ไม่ได้จุดอ่อนจุดอ่อนมันอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองไม่มีจุดอ่อนทำไมบางคนเขาจึงออก <c oughs> รู้สึกเขียนลายมือดีมาก บางคนเข้าแต่ไม่เห็นกรรมรู้แต่ว่าต้องทำคืออะไรคะนะก็คือต้องทำไม่ใช่ทุกคนต้องไปเห็นกรรมนะภาหิยะเนี่ยเป็นพ่อค้าไม่รู้เรื่องาศาสนาเลยนะเกิดเรือล่มอะไรใกล้จะบ้าแล้วบังเอิญว่าบุญเก่าได้ไปพบพระพุทธเจ้ากำลังบินถบาทอยู่ ก็นิมนต์พระองค์ให้เทศให้ฟังพระองค์ไปวัดไปวัดนะไม่ยอมนะกราบขออยู่สามครั้งพระองค์เห็นวาลาจิตไงพระองค์ก็บอกว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะสัต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าดมกลิ่นสักแต่ว่าลิ้มรสไม่พิจารณาไม่ตัดสินคําเดียวเท่านั้นพหยะบรรลุอราหารันต์เห็นไหมไม่ต้องเรียนแบบว่าเขาเห็นเราต้องเห็นอะไรเลยนะ เห็นแล้วยังต้องเสียเวลาเหวี่ยงทิ้งอีกเราไม่เห็นแล้วก็ดีแล้วนะถ้ามันถึงเวลาแล้วเนี่ยอุ้ยมีครั้งหนึ่งนะเจ้าภาพเขาเอาพระโพธิสัตว์กวนอิมปางมังกร อ, อาจารย์ปรามีนามาเนี่ยนะทีนี้พ่อครูก็ใบายายธรำเขาก็เห็นแก้วลำกลวนอิมเราบอกให้แก้วเนี่ยให้พรหน่อยแก้วบอกขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานไวๆนะ อุ้ยพี่ยังไม่อยากไปพี่ยังไม่อยากไปพี่ยังอยากจะอยู่อยู่กลัวนิพานมากนะใครว่าคนไม่เข้าใจคิดว่าแช่งให้เขาตายไวๆเนาะนะพี่ยังไม่อยากไปเขาแสดงออกเลยนะคือพวกนี้เขาติดบุญเนี่ยเขาทำบุญเท่าไหร่ก็ทําทนะทำเพื่อให้อนาคตดีขึ้นเหมือนแก้วไปแช่งให้เขาตายไวๆแช่งแช่งให้เขาตายไวๆนะบรรลุนิพานคือจิตนี่มันนิพานไม่ใช่เราตายนะตอนที่เราตายพระพุทธเจ้าที่ ที่เรียกว่าตายนั่นที่เขาเรียกว่าปริณิพานคือละสังขารแล้วเรานิพานตั้งแต่เราเป็นอยู่นี้แหละเนาะก็บางคนเห็นกรรมบางคนไม่เห็นกรรมนี่แหละคือนานาจิตตังมันไม่ใช่วิชาสูตรสาเร็จว่าทุกคนทําแล้วเห็นเหมือนกันหมดเห็นไหมเรียนกอไก่ขอไก่ของาทุกคนก็รู้กอไก่ของนักวิาเหมือนกันหมดแม่เรียนปริยาตีสี่ปีจบเหมือนกันหมดนี่แหละคําว่านาณาจิตตัง มันไม่เป็นวิชาการแบบทุกคนต้องเหมือนกันนะแค่ไหนถึงเรียกว่าเข้ายังไงที่เรียกว่าเข้าถึงคะทีนี้การเข้าถึงธรรมเนี่ยที่เขาบอกว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเนี่ยคือเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรรคขั้นต่ำสุดคือโสดาปฏิมรรคขึ้นไปอันนี้เข้าถึงกระแสจิตแล้ว จากนี้ไปเราจเจริญมรรคอย่างเดียวเหมือนเราเรียงปริญาตรีอยู่เนี่ยนะนะเป็นนิสิตปริญญาตีนะพอเราจบปริญาตีปุ๊บได้รับปริญาบัตินี่คือผลนะก็เหมือนเราเป็นโสดาปฏิมร์พอเราจบปุ๊บเราก็เป็นโสดาปฏิผลนะคำว่าเข้าถึงมันมีหลายระดับนะสภาวะของจิตเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเบี่ยงเราเร า, เราแยกระดับ ปัญญาของจิตมันมีสี่คู่แปดบุรุษที่เราสวดมนต์ทุกวันสมควรแก่สักการะและบูชานี่คือพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ในพลัลตนตาใเนี่ยนะคือผู้เห็นธรรมตามมาถ้าเราได้ถึงขั้นจิตเห็นจิตปุ๊บเนี่ยเราได้เป็นพระอริยสงฆ์เบื้องต้นแต่ไม่ใช่ตายตัวว่าเห็นธรรมปุ๊บเป็นแค่โสดาปิมักบางคนเห็นธรรมแค่ครั้งเดียวปุ๊บเป็นอรหันเลยเพราะของเก่าเขามีอยู่แล้ว แล้วไม่ใช่ว่ามาเห็นธรรมต้องไต่ทีละขั้นแบบนี้ไม่ใช่นะพระเจ้าสุดทวทนะพระพุทธองค์แสดงธรรมปุ๊บบรรลุโสดาบันแต่ก่อนจะสิ้นพระชนปุ๊บพระองค์ไปแสดงอีกจึงบรรลุอราหันต์เลยเพียงแต่ว่าเขาแยกทีละขั้นคือแยกระดับนะเหมือนบางทีจิตเดิมเขาเขาเป็นอนาคามีมาแล้วเนี่ยนะพอเขาเปิดฝาปึ้งทีหนึ่งก็จบนะทีนี้เราเรียนปริยาโทต่อ ช่วงเรียนปริยาโทเราเราเป็นนินสิตปริญญาโทเรียกว่าสกิทาคามีมัคทางเดินของปสกิทาคามีาเาามื่อเราจบปริญาโทแล้วเราก็เป็นสกทาาิทาไมนาคามีผลคู่ที่สองเราไม่พอใจเราเรียนปริยาเอกต่อช่วงี้เราเรียนปริญาเอกเขาเรียกว่าทางเดินของนิสิตปริญญาเอกเมื่อเราจบปริยาเอกเราเป็นด็อกเตอร์แล้วเราก็เป็นอนาคามีผลนะสมคู่ ไม่พอใจยุคนี้เป็นดอกเตอร์ไม่พอต้องวิจัยเป็นศาสตราจารย์ช่วงทําวิจัยอยู่เป็นอัรหัตมักทางเดินของพระอรหันต์เมื่อเราวิจัยเสร็จเราบรรลุเรียบร้อยขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นอัรหัตผลนี่คือสี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชาเป็นพระอริยสงฆ์ในพระรัตนไตยนะพระพุทธเจ้าคือผู้เห็นธรรมมาก่อนพระธรรมเนี่ยไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้า เท่านั้นเองพระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นพระธรรมมีอยู่แล้วคู่โลกคู่จั ก, กรวาลเจ้าชายจะดับไปตัดสรูปมาถึงเจ้าชายศัตร์จะไม่ประสูตรในโลกนี้พระธรรมนี้ก็มีอยู่แล้วเห็นไหมในสายพุทธเราพระพุทธเจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้อีกยีพระองค์ท่านบรรลุธรรมไม่มีศาสนาพุทธนะไม่มีพระไตรปิฎกอ่านท่านก็บรรลุธรรมได้เพราะธรรมมันมีอยู่แล้วพระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็น พระสงฆ์คือผู้เห็นธรรมตามมาเห็นธรรมขั้นต่าสุดคือโสดาปติมัคถ้าเราเข้าไปในจิตเห็นจิตนี่คือมัคแลจากนี้ไปเราก็จเจริญมัคนะมัคภายในมันมีมัคภายนอกนะมัคภายนอกการให้ทานเนี่ยนะเขาเรียกว่าเอาไซน์อินฝึกฝืนกิเลสตัวเองเราหาเงินยังไม่พอแต่เราให้ทานเป็นการขัดเก่ความโลภนนี้ช่ไหมข้างนอกนี่เปลี่ยน เปลี่ยนนิสัยข้างในแต่พ่อครูข้างในเปลี่ยนข้างนอกเห็นไหมศีลไม่มีเพราะมันเราเบิดตุ้มพฤติกรรมเราเป็นมักหมดเพราะมันแก้ที่ต้นเหตุมันไม่มีความอยากแล้วเนี่ยมันอินไซต์เอาเราทําคู่กันไปนะไอ้ที่มันเกิดกิดขึ้นกับพ่อครูเกิดกับพาหิยะเกิดกับเนนบัณฑิตมันไม่ใช่ทางสายกลางท่านในทางโลกว่าเออมันเป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัว ไม่ใช่ทางสายกางเห็นไหมหลายคนเนี่ยมามาแลกเปลี่ยนพระครูนะพระครูยินดีเลยนะถ้าไม่มีทิฏฐิมานะเรามาคุยกันนะผู้รู้ก็ส่วนมากเราจะอ้างคำสอนพระเจ้าอ่านพระจะจาก็จำมาก็พูดพูดเจ้าว่าอย่างนั้นอย่างนี้พราครูก็ถามว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยความรู้นี่เอามาจากไหนเอามาจากจำมาไม่ใช่ความจริง พรกะครูก็ถามว่ามีใครบ้างมีความรู้เท่ากับพระ อ, อนุนนะผู้เจ้าพูดอะไรจดไว้หมดวัดปฏิบัติเห็นหมดทำไมพระ อ, อนุ์ไม่บรรลุธรรมเกือบไปไม่ทันแล้วนะพรุ่งนี้เช้าเนื่องจากอาวุโสที่สุดเป็นพระเลขาใช่ไหมต้องเป็นเป็นประธานพระอริยสงฆ์พระอรหันต์เท่านั้นตัวเองยัง่ยไม่บรรลุไงมัวแต่ไปอุปถาผู้เจ้าเห็นไมรู้มากที่สุดเลยทาไมไม่บรรลุธรรม ปฏิบัติถึงสว่างเนี่ยมันไม่ไหวนะนอนดีกว่าพอวางปุ๊บบรรลุธรรมกลางอากาศถามว่าสูตรไหนสูตรพระ อ, อ น, นุนเรียนแบบได้ไม่ได้แต่มันจะได้หรือเปล่าไม่รู้อย่าไปเรียนพุทธศาสนาแบบซื่อบือ้อยึดเอาตัวคำสอนเป็นตายตัวแบบมันไม่ใช่นะมันมีตั้งเยอะแยะเลยที่มันพูดเป็นภาษาไม่ได้เจนะก็นั่นแหละ เข้าถึงธรรมเนี่ยคือจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรดนิโรดก็คือนิพพานนะแต่อย่างน้อยชีวิตนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอาดีตเราฝึกมาแค่ไหนแต่อย่างน้อยชีวิตนี้ต้องเปิดประตูให้ได้นะเราถือว่าได้วีซา่าจิตเห็นจิตคือมรรคเนี่ยไม่มีนะลาอีกแล้วที่ว่าสูงสุดอีกเจ็ดชาติอย่าไปรออย่าไปรอเอามันชาตินี้แหละ พุทธการก็เห็นนะเออบรรลุในชาติเดียวอยู่ที่ว่าเราเอาจริงไหมนะส่วนพระพุทธในพระรัตนัายคือผู้เห็นธรรมาก่อนพระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นพระสงฆ์คือผู้เห็นทมตามมาขั้นต่ำสุดคือโสดาปติมักขึ้นไปสี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชาพูดถึงสภาวะของจิต ไม่ใช่อาชีพเครื่องแต่งกายส่วนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสี่เป็นผู้แสวงธรรมตามมายังไม่เห็นธรรมถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้เนี่ยจิตก็ติดบ่วงก็ไม่บรรลุธรรมนะก็คําตอบเหมือนเก่านะทําไมบางคนเข้าเร็วบางคนเข้าช้าคะนะ่ะก็แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญวาสนาไม่ได้แต่ต้องไม่ต้องกังวลนะถ้าเอาเช้าเร็วมาเปรียบเทียบกันเนี่ยพระพุทธเจ้าแพ้เน้นบัณฑิตนะผู้เจ้ายังต้องใช้เวลาหพรรษาในชาติสุดท้ายนะเน้นบัณฑิตเจ็ดขวบบวชแค่แปดวันบรรลุอรหันต์แล้วพระหิยะบางคนสมชั่วโมงบรรลุทำเนี่ยญาติธรรมขอร้องพระครูออกหนังสือเล่มนี้ทั้งก้อนอิดทั้งดอกไม้ลอยมาเลยนะอวดอุตลิ สมชั่วโมงได้ยังไงพู้เจ้ายังหกพันษาเลยพาหิยะสามนาทีไม่ใช่เร็วก็ดีไม่ใช่ช้าพระพุทธองค์เนี่ยต้องเป็นเจ้าแห่งพุทธพระองค์ต้องสะสางทั้งหมดนะมีใครมีปัญญาขนาดนี้รู้ความจริงจนแยกเป็นหมวดเป็นหมู่ชัดเจนแบบนี้อย่าบังอาจไปเทียบกับพุทธองค์ยาวความเร็วความช้าในการบรรลุธรรมไปเทียบมันคนละเรื่องทางโลกเราเข้าใจว่า วิ่งปุ๊บใครใครเร็วกว่าคนนั้นชนะน่ยไม่ใช่ไม่ใช่สู่รสาเร็จนะคนที่เข้าจำเป็นต้องมีกรรมหรือไม่อย่างไรเอาเป็นว่าไม่มีแม้แต่หนึ่งคนไม่มีกรรมนะนะไม่มีกรรมเราก็ไม่ได้มาเกิดอีกวันแรกก็เกิดมาก็ร้องไห้แล้ล่ะรับกรรมตั้งแต่วันแรกละเรามีกรรมแน่ๆส่วนเวลาเข้าไปในจิตเนี่ยเห็นไหมพาหิยะทาไมตุ้มเดียวจบ ได้ไหมพกูทำไมสามชั่วโมงตุ้มเดียวไม่ใช่นะกว่าจะถึงสามชั่วโมงนั้นเจ็ดสีสุดท้ายพกูทุกมากทุกเพราะมันหาคำตอบไม่ได้ก็จ่ายหนี้กรรมไงนะเอาเป็นว่าไม่ใช่สุดสสำเร็จบางคนนี่คุณแม่มาปฏิบัติที่นี่มาจากจังหวัดเลยขับรถมานะเขาก็ไม่ปฏิบัติเขาก็นั่งรอเขาก็เห็นเ่มันแปลกดีวันที่สองเขาก็มานั่งเล่น 15ทีมันหมุนปุ๊บดวงตาเห็นทำแล้วแกเป็นแกเตะฟุตบอลเนี่ยบังเอิญว่าแกเป็นประตูมือแกหลุดน่หลายปีแล้วนี่มันยกขึ้นไม่ได้มันหมุนมือแกกุ๊บมันเข้าเลยนะเพราะมันเปิดทุกตอนนั้นน่ะเข้าดวงตาเห็นทำเห็นไหมเรื่องนี้ไม่มีสูตรสาเร็จนะนะไม่ใช่ว่าต้องเห็นอะไรเลยนะเข้าใจไหม เราเห็นแล้วแค่เราหมุนน่ะมันก็หมุนแล้วเราเห็นว่ามันหมุนน่ะเนาะนั่นแหละก็พอแล้วเนาะเต้นไปแล้วอยากจะหมุนไปเรื่อยเรื่อเร็วขึ้นเมื่อล้มลงกลิ้งไปกับพื้นแต่ความรู้สึกอยากจะจะกลิ้งไปเรื่อยเื่แต่พอถูกกั้นไว้ต้องกลิ้งกลับไปกลับมาจะรู้สึกเวียนหัวมาก จะแก้อย่างไรแก่โดยรู้เฉยๆนะคือเราเห็นนั่นแหละจริงๆแล้วจิตมันต้องการดำเนินไปแล้วก็เห็นมันถูกขวางชีวิตเรามันไม่สมูทไม่ใช่ลาบรื่นตลอดเราจะเจออุปสรรคตอนนั้นเราเจออุปสรรคแล้วไงเราต้องรู้เท่าทันเหตุปัจจัยทำเท่าที่เราทำได้ แต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นฉันอยากไปเธอมาขวางทำไมอารมณ์มันจะค้างทำให้เราหนักหัวหนักไตตอยเราก็ได้เรียนรู้อีกเนาะยอมรับสิ่งที่เรารเผชิญเบี่ยงทิ้งนะทุกอย่างเกิดจากประสบการณ์เราปฏิบัติเองล้วก็เกิดประสบการณ์ขึ้นเองนะขอขอบพระคุณพ่อครูค่ะ ที่ชี้ทางให้หนูได้เห็นการสลัดทิ้งซึ่งทุกสิ่งนั้นได้ผลดีมากๆค่ะอันนี้คือคำบอกกล่าวนะไม่ได้ถามพ่อครูอนุโมทนาด้วยทำไมต้องกรีดร้องคะต้องไปถามเด็กๆนะเวลาเขาไม่พอใจทำไมเขาร้องออกมาเขาร้องออกมาเวลาเขาดี เขาดีใจก็เฮี้ยไม่มีมารยาทเวลาเขาไปพอใจร้องลองไปกิ้งยิ่งๆเลยแล้วลุกขึ้นมามันก็เล่นกันต่อมันไม่ต้องกดไว้ไงอันนี้เราเผื่อกดไว้แล้วนะที่อินเดียนะมีชมรมหนึ่งเป็นหัวหน้าชมรมเป็นด็อกเตอร์ชมรมกรีดร้องทุกวันเนี่ยเาจะไปอยู่ในสวนสาธารณะนะนะเขาจะไปแหกปากร้องกันแล้วชีวิตเขาดีขึ้น แต่สุดท้ายเขาโดนคนแถวนั้นไปฟ้องศาลบอกหยุดมันเป็นมานรผจนนะคุณก้อยปรึกษาพระครูเดี๋ยวให้คุณครูกลับบ้านเออไปเช็คกิ้งแล้วก็ร้องด้วยบอกร้องที่บ้านไม่ได้เดี๋ยวคนที่บ้านแตกตื่นคนข้างบ้านเดี๋ยวก้อนหินมันลอยมานะเราต้องรู้เหตุปัจจัยด้วยนะการร้องมีประโยชน์มากหนึ่งเป็นการทำลายอัตราตัวตน คำว่าทำลายมารยาทประเพณีว่าทำเนี่ยนะจิตเราต้องอยู่เหนือสมมุตินั้นแต่ว่าเราออกมาปุ๊บเราไม่ทำลายสมมุติมันเป็นทางเดียวที่เราจะได้อิรับความอิสระภาพแรกแรกก็ร้องไม่ออกไอ้ร้องทำไมฉันไม่มีอะไรบกจริงเหรอถ้าไม่มีอะไรเป็นอหรหันแล้วน ะ, แ, ะแรกๆกเราต้องแก้งก่อนเหมือนเราเปิดฝามันออกไอ้ยับยัมันออกมาแก้งร้อนเดี๋ยวไอ้ลึกๆมันที่มันถอดตัวมันออกมาหมดแล้วจริงๆแล้วมันอยากจะออกมากแต่มารยาทเราไม่ยอมให้มันออก ทาสานไม่มีมารยาทนะเขาถึงไม่เครียดนะที่เราเครียดทุกวันนี้เรามีมารยาทนะกลัวไปหมดกลัวว่าเร า, เาจะว่าเราไม่มีมารยาทแต่เราต้องรู้กาลเทศะเราอยู่ร่วมกับสังคมเนี่ยเราทำลายสมมุติเขาก็ไม่ได้แต่บังเอิญสังคมคนก่อพิทักษ์เนี่ยเริ่มสร้างสังคมใหม่ท่านนายกีตในสังคมเราไม่ว่ากันใช่ไหมเพราะฉันรู้เธอก็รู้ไม่เป็นไรนะ เป็นการปลดปล่อยอย่างหนึง่งเป็นการละลายพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะทำไมก่อนเข้าจิตทำไมจึงเห็นแสงสีขาวและมันหมุนรอบตัวเราจึงเกิดการหมุนไม่หยุดครับนะบางทีเราเดินป่านะถ้าเราฝึกจิตมากๆเนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องใช้ไฟฉายเลยนะ จิตมันจะส่งทางให้เรานะนะพลังจิตนะทีนี้อย่างทุกวันนี้มีกล้องสมัยใหม่เนี่ยเขาจะถ่ายเราก็จะเห็นออร่าแสงอะนะนะอย่างพพุทโตโลที่ก็ถ่ายปุ๊บเนี่ยเห็นแสงใสอะไรเนี่ยนะทีนี้ตอนเช้าถ่ายแบบหนึ่งตอนเย็นเราจะให้มันเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้นะเราจะบิวอัพอารมณ์เราแบบหนึ่งนะแต่ละอารมณ์นี่สีมันแสงมันจะออกมาไม่เหมือนกัน เหมือนกล้องดิจิทัลทุกวันนี้เนี่ยพิกเซลมันถี่นะเราสามารถถ่ายบางทีถ่ายเห็นอีกมิติหนึ่งเลยนะที่นี่เห็นอะไรเยอะแยะเลยนะก็เนื่องจากโปรแกรมเราแน่นธรรมราเนฐานพระใหญ่นี่ไปดูนะเดินนะวันที่เราสมโพธ์พระตรงนั้นนะพระครูพิธิกรรมเรื่องนี้พระครูไม่เป็นแต่พระคุณเจ้าที่เป็นสาสหรธรร ม, มิกเคยมาปฏิบัตินี้เป็นครูบาอาจารย์ ผู้ใหญ่มาขอเป็นเจ้าภาพท่านก็มาสวดถึงสว่างนะเราถ่ายเห็นท้องฟ้าเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยตีลังกากลับท่านในทางวิทยาศาสตร์บอกการหักเหของแสงนะถ้าพุทธลูปอย่างนี้อันนี้ตีลังกากลับแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่ท่านทำให้เราเห็นว่าหันหน้าเข้าหากันหันหลังเข้าหากันหันหน้าขึ้นท้องฟ้าด้วยไปดูถ่ายได้ทั้งคืนเลย แล้วมีดวงตาหนึ่งเพ่งอยู่นี่ตลอดแล้วก็ลอยไปลอยมาอยู่ในนี้แต่พออีกวันหนึ่งไอ้กล้องเก่านั่นแหละถ่ายไม่เห็นอะไรเลยและที่ตรงนี้ก็หลายปีไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะอันนี้จริงๆแล้วเรามีภาพติดอยู่แต่ว่าเราทำศาลาใหม่ก็ลื้อออกนะพระพุทธธรรมหนักโพธิสัตว์กนินมนี่ก็มีภาพนะถ่ายเห็นพระพธิสัตว์กนิมยืนอยู่หลังบังกรเ่งเจียยืนอยู่หน้าบังกรปางนี้ไม่เคยมีในโลกนี้ มีแต่ปางมังกร น, นะแต่ภาพนี้คือแห่งเจียนนำทัพเห็นชัดๆเลยนะเป็นภาพเพราะถ่ายเสร็จออกพรรษาคือในพรรษานั้นถ่ายเห็นทุกวันไปดูในอารามมีเยอะมากแต่พอออกพรรษาปุ๊บอีกไม่กี่วันเจ้าภาพเขาไม่เคยมาที่นี่เขานิมิตรว่าเขาต้องสร้างพระโพธิสัต h, ว์กวนอิมปางมังกร บังเอิญไปเจออาจารย์ปรมีที่อยู่วัดผาซ่อนแก้วเนี่ยเคยมาปฏิบัติที่นี่ยี่สกว่าปีก่อนมาอยู่ข้าพักูสามมณฑาท่านก็พามาที่นี่นะเมธีเขาไปนั่งบนตําหนาเขาบอกใช่แล้วที่นี่นแล้วก็ยังมาเห็นรูปเนี่ยเขาขอรูปนี้ไปแต่ว่าไปลงไปลงหล่อเนี่ยเขาไม่กล้าเอาเฮ่งเจียยืนอยู่บนข้างหน้าเขาก็ทําไว้ข้างล่างพรอครูตั้งชื่อว่า ปางเคลื่อนพลจันลงพระศาสนาแล้วตอนนี้บริวารของท่านมาในกลุ่มนี้หลายคนแล้วนะสัญลักษณ์อย่างนี้หนูใครทำให้เราทำแบบนี้พรากคุณไม่เคยบอกนะแสดงตัวหลายคนแล้วเดี๋ยวคืนวันนี้วันอาทิตย์เนาะใช่ัหมเออเดี๋ยวคืนนี้เรามาชมพวกเราปฏิบัติกันเองนะ เขากาลังต่อต่ออยู่เรื่องนี้เนี่ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นที่นี่ไม่โปรโมทไม่อะไรนะคือเขาพิสูจน์ให้เราว่าบางอย่างเนี่ยเราคิดไม่ได้นะบางอย่างพูดว่าเชื่อไม่เชื่อมันไม่เกี่ยวมันเป็นความจริงมันไม่ใช่ความเชื่อหรือไม่เชื่อเราเชื่องูก็ไม่มีขานั่นแหละเราไม่เชื่องูก็ไม่มีขานั่นแหละนะ มันพูดเชื่อไม่เชื่อไม่ได้แต่ที่นี่นี่26ปีนี่มันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นช่วงๆเหมือนสิ่งบอกเหตุนะก็ที่มันหมุนเนี่ยนะเราสตาร์ทเครื่องติดละนั่นแหะไม่เสียชาติเกิดละอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งปันเวลาให้จิตเราแค่ไหนมีเวลาว่างปุ๊บให้เขาเดินทางต่อเรามีหน้าที่เอาร่างกายเรามาให้เขาทาหน้าที่ เอาร่างกายเราไปทําหน้าที่การงานข้างนอกมันเป็นสัมมาชีวะแล้วเนี่ยเวลาว่างก็เอาร่างกายตัวนี้ให้จิตเราใช้ดําเนินต่อแค่นั้นพอจิตจุบัญญาก็รู้เฉยๆว่าเขาทาอะไรเดี๋ยวชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับอยากจะรบกวนขอถามพ่ะครูนะในในขณะที่ไม่ได้หลับตาแล้วทําไมร่างกายเรา ถึงยังเวียงได้และการล้มตัวลงไปนอนไหว้และไหว้ไปทุกทิศทุกทางขณะที่นอนอยู่และไหว้ไม่หยุดคืออะไรคะมันเป็นอารมณ์เดิมของเรานะไหว้ทั้ง10บทิศแดทิศอะไรก็ไหว้กันไปนะถ้าเกิดอาการที่นี่ที่นี่ที่นี่ประสบการณ์เราดูปุ๊บเนี่ยกิริยาก็แสดงออกมาเนี่ยอย่างน้อยๆมันเป็นกุศละจิตล่ะนะ ที่บอกว่าผู้หญิงฝรั่งเศสมาสองคนที่นี่ไหว้ไม่เป็นพอเข้ากรรมาฐานไหว้สวยมากมันเป็นจิตเดิมเขามันก็ฟื้นฟูไอ้จิตที่มันมีศรัทธาแล้วก็ฝึกจิตมาโดยที่มีศาสนาจากนั้นเขาจะมาแสดงตัวเมื่อเมื่ออารมณ์นี่เราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่คิดนะนอกจากเราทําหน้าที่การงานอย่างมีความสุขแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาเนี่ยมาบําเพ็ญเพียรต่อไม่มีใครบังคับเราจิตเดิมเนี่ยมันต้องการทํามาต่อยอด นะตอนนี้เราเปิดจิตเราได้แล้วมีหน้าที่ต่อไปเนี่ยแบ่งปันเวลาให้เขาหน่อยหนึ่งบางคนบอกไม่มีเวลานะถ้ามีเวลากินข้าวถ้ามีเวลาอาบน้ำต้องมีเวลาฝึกจิตนะมีย4ิบสี่ชั่วโมงเท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปทำอะไรมีมีเวลานะไ อ, อเรื่องไหว้เนี่ยพ่อครูเคยไปสอนอยู่เพชรบุรีนะ มีสติท่านหนึ่งก็จบเพศสัตว์ปริญญาโทล่ะก็เข้าไปในจิตแล้วเนี่ยสุนัขอยู่ตรง น, นั้นเขาก็ไปไหว้สุนัขไหว้สุนัขไหว้ฟ้าไหว้ดินเหมือนมันที่ผู้เจ้าตัดสลวนะใบโพใบหนึ่งร่วงลงมาเนี่ยพระองค์ก็ถือบอกใบโพก็คือเราเราก็คือเขาเหมือนกันไม่มีสูงไม่มีต่ำนะจิตเราเข้าถึงความไม่มีตัวตน นะกาบเรียนพวกครูด้วยความเคารพนะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจครั้งแรกไปศูนย์พลามเก้าก็ปฏิบัติตามโปรแกรมทุกอย่างมาที่ศูนย์พระลานคอยก็เช่นเดียวกันปฏิบัติได้ทุกอย่างครบตามเวลาฟังจากคนอื่นพูดพูดมาเหมือน ตนเองไม่บรรลุผลเลยขณะที่ทำไม่เห็นอะไรเลยแต่จิตสงบมีสมาธิกับการทำหรือเป็นเพราะกรรมเก่าขณะที่เวียงก็รู้สึกว่าหมุนแต่ร่างกายไม่หมุนรู้สึกมันหมุนอยู่ภายในเวลาเข้าโปรแกรมน า, นานาจิตตังเขามีสมาธิ กับเพลงนะเต้นตามและรู้สึกสบายใจสบายตัวโล่งโปร่งแต่ไม่พบไม่เห็นไม่กริ้งไม่หมุนอยากเรียนถามพ่อครูว่าไม่บรรลุผลตามแนวทางใช่หรือไม่ข้ออีกข้อหนึ่งนรกสวรรค์อดีตชาติมีจริงใช่หรือไม่ โอเคนะตอบรวมๆกันไปเราก็สาเร็จกิจที่เรามาเราเป็นคนตั้งมั่นทํทุกทุกคอร์อยู่แล้วเห็นมากเห็นน้อยเห็นเห็นว่าเรามีความสงบเรามีความนิ่งเราก็เห็นแล้วนะไม่ใช่ว่าทุกเป็นกิริยาเหมือนคนอื่นหรอกนะคนเราวิบากกรรมมาไม่เหมือนกันไอแนวที่เราทํานี่เราจะเห็นเรื่องนานาจิตตังชัดมากเห็นชัดมันก็ไม่เหมือนกันไง แต่ถ้านั่งเหมือนกันหมดจะเป็นหุ่นยนต์ันเป็นลัทธินิกายเป็นองค์วิชาเท่านั้นเองที่ทุกคนต้องทําตามนั่นนะครูบาอาจารย์ที่แท้จริงน่ะถ้าเข้าถึงจริงๆน่ะจะต้องไม่บังคับให้ลูกศิษย์ทำเหมือนตัวเองเราไปกดทับศักยภาพของเขาปล่อยให้เขาดำเนินเองนะครับอย่า ก, กังวลน ะ, นะขอให้นั่งเออมันสบายมันมีความสุขก็โอเคก็นั่งไปขออย่าหยุดเดี๋ยวจิตเขาจะเปลี่ยนโปรแกรมเองนะ ก็ไม่ต้องใจร้อนเนาะแต่ไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นเขามีกิริยาเห็นไหมจะเอากิริยาแบบคุณครูผู้หญิงเมื่อวานนี้เอาไหมที่เข้าไปแล้วออกไม่ได้อย่างไรบางคนเอ๊ะทําไมเข้าไปไม่ได้เลยนะพอเข้าไปแล้วเอ๊ะทําไมมันออกไปไม่ได้เลย <c ười> คนใดอยากเข้าคนคนนอกอยากคนคนใดอยากออกเอาเป็นว่าทําไปเรื่อยเรื่อยรู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยนั่นะคือวิปัสสนาแล้วเนาะ เห็นว่าไม่มีอะไรนั okay. ่นแหละจริงๆแล้วไม่มีอะไรสุดยอดเลยนะถ้าสุดท้ายไม่มีอะไรจริงๆแล้วนั่นคือนิพานแล้วมันมีนะแต่เรายังไม่เห็นมันเฉยๆนะไม่ต้องกังวลนะก็พระครูเคยบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพานอยู่ในจิตไอคำนี้เป็นเรื่องพูดตั้งแต่26ปีมาจากอเมริกามันเปล่งออกมาเลยทีนี้สมัยก่อนเขาอาจเป็นเทปคาสเซตใช่ไห มันก็ไปถึงมือคุณลุงท่านหนึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณกระทระวงศึกษาบ้านปลายชีวิตมีหน้าที่รับเชิญไปแสดงธรรมท่านฟังแล้วนี่ท่านรับไม่ได้ท่านก็บินมาที่อุบลแล้วเข้ามาที่นี่บอกว่าเขาก็ให้เกียรตินะบอกพ่อคูขอโทษนะพอมีอะไรข้องใจอยู่แลกเปลี่ยนบอกเชิญเชิญคุณพ่อไม่มีทิฏฐิมานานะ ท่านบอกว่าท่านไปศึกษาประจัยบิดกแล้วเพิ่งคุยกับพระจบป ร, ริยนเก้าที่วัดโพมาเร็วๆนี้ว่าสวรรค์มีกี่ชั้นกี่ชั้นนรกมีกี่ชั้นน่ยเพราะครูไม่เคยบอกว่ามันไม่มีแต่มันไม่ใช่เป็นแดนแบบนั้นจิตเราเป็นทิฟจะเอาใครไปต้มเหรือจะเอาใครไปขึ้นต้นนิวหรอเห็นไหมยังสวรรค์ฝรั่งเขาว่าสวรรค์ขึ้นมา สวรรค์ของไทยเทยวดาไม่เหมือนกันนะแต่ความรู้สึกเราเห็นเลยว่าต้องยิ้มใช่ไหมต้องอยู่บนฟ้าลอยๆนะี่ยเราจะเห็นเขามีความสุขนรกไทยกับนรกฝรั่งฝรั่งไม่เหมือนกันนะแต่นรกไทยเนี่ยววาดว่าเออเหมือนทุกข์เหมือนถูกถูกต้มทุกข์เหมือนขึ้นต้นงิ้วเขาวาดภาพนั้นเพื่อให้เราสัมผัสอารมณ์นั้นเท่านั้นเองไม่ใช่มีแดนแบบนั้นนะ ยังผีไทยกับผีฝรั่งไม่เหมือนกันนะผีไทยต้องเป็นแดกคูล่าใช่ไหมฝรั่งแดกูล่าผีไทยต้องเป็นนางอะไรนางแม่นาคใช่ไหมแต่มันก็แสดงเหมือนอาการน่ากลัวไงคือภาพวาดกับตัวหนังสือเนี่ยมันทําได้แค่นั้นทําให้เราเห็นอารมณ์นั้นนะเหมือนเร็วๆนี้คนบางคนก็ไปดูหนังพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์ปรินิพานนะ พระอานน์นี่ยร้องไห้ฟูมไฟเลยล่ะส่วนพระลาหนหลายรูปเนี่ยบางรูปก็น้ําตาไหลเฉยๆจับผิดพระลาหนยังร้องไห้เหรอยังมีเวทนาเหรอ <c oughs> นะเราไปจับด้วยนะทีนี้ภาพยนตร์มันทําได้แค่นี้เนะ่ยเพราะว่ามันเห็นเป็นรูปธรรทมันไม่เห็นอารมณ์ของท่านทีนี้พระกัสริยเดินมาเนี่เป็นพระอวุโสหน่อยหนึ่งไม่ได้ร้องไห้เลยนะคือ น, นิพพานเนี่ยไม่ใช่เหมือนกันหมดนะ นิพพานบางคนถามพระครูพระครูนิพพานมันเป็นอะไรถ้ามันยังเป็นอยู่นิพพานไม่ได้นิพพานยังไม่ใช่นิพพานเลยจะเป็นอะไรแต่ว่าเราไม่สมมุติชื่อนิพพานเราก็บันทึกไม่ได้นิพพานมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่มีอะไรแต่เขาพูดถึงลักษณะนิพพานสามอย่างพูดถึงลักษณะอย่างที่หนึ่งนะคือดับรูปนามไม่ใช่รูปนามมันไม่มีนะแต่ดับความ ไม่รู้เท่าท่านรูปนามทิ้งรูปนามไม่มีผลสหรับเราแลก็ไม่มีนิมิตหมายอะไรทั้งนั้นนะนี่คือลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยดับรูปนามอนะ่แล้วก็ดับโลภโทสะโมหะนะดับไม่เหลืออยู่อีกอันนึงเนี่ยดับรูปนามดับราคะโทสะโมหะแล้วก็ดับขันห้าด้วยนะ แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันคือพระอรหันต์ที่เหมือนกันหมดคือไม่ทุกข์แล้วดับทุกข์แล้วส่วนว่าบา ร, รมีนี่ยังมีต่างกันเราจะไปเปรียบเจ้าพผู้เจ้าเจ้าไม่ได้นะไม่ใช่พระอรหันต์ปุ๊บก็เป็นก้อนอิดก้อนปูนผ้าพับไว้บังเอิญภาพภาพยนต์เนี่ยเขาทำได้แค่นั้นทำให้เราเห็นเราจะไม่เสียใจหรือครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จากเราไปเนี่ยนะแต่บังเอิญอันนั้นมันเหมือน ที่พระครูบอกพระอรหันยังมีกิเลสอยู่นะแต่ไม่เนื่องด้วยตัณหาพระอรหันต์จี้โงนี่กินเล่าด้วยกิเลสอาจารย์มหาบัวเคี้ยวหมากกิเลสมันเป็นความเคยชินผู้เจ้าบอกดับทุกข์ดับที่ตัณหาแต่สาเหตุของตัณหามาจากกิเลสนั่นแหละกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้อุปท า, านอุปท า, านไม่กลุกกิเลสดับไม่ได้สุดท้ายที่เราดับกิเลสที่บอกว่าดับจริงๆเนี่ย เราเราเบิดอัตตาตัวเองเนี่ยทิ้งกิเลสก็ไม่มีที่เกาะกิเลสดับไม่ได้มันมีอยู่คู่โลกคู่จั ก, กรวาล น, นะทาตามกิเลสแต่ไม่ไม่เนื่องด้วยตัณหาตัณหามันใสจตนาปุ๊บมันบันทึกสัญญากลายเป็นวิบากกรรมนะขอให้ปฏิบัติเถอะแล้วเรามาดูภาษาที่เขาสมมติเนี่ยเราจะเข้าใจอัฏฐะในพยัญชนะนั้นชัดเจนไม่ต้องไปแปลถูกแปลผิดไม่ต้องไปคาดคะเน นะก็ที่บอกสวรรค์อยู่นอกนู่นเยอะพวกคุณอธิบายแล้วคุณลุงเขาก็บอกว่ายังไม่ชัดเจนคุณลุงเชื่อไหมเจ้าชายศรีนทธะตัสรู้ธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชาบอกเชื่อวินาทีนั้นเขาเรียกว่าอรหันใช่ไหมถูกสภาวันั้นเป็นนิพพานใช่ไหมถูกต้อง แล้วทําไมจิตดวงนั้นไม่ไปอยู่เมืองนิพพานล่ะทําไมยังอาศัยอยู่ในร่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทํ 4, าหน้าที่สี่สภาพ้าราษาคุณลุงลงไปกราบพวอครูเลยบอกเข้าใจล้วถ้ายังไม่เข้าถึงอย่าไปแปรนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตนะทุกอย่างจบอยู่ที่จิตนะนี่แหละคือคําตอบเราทํำไมต้องฝึกจิต ร่างกายแข็งแรงไม่แข็งแรงผ่อนคลายไม่ควออยู่ที่จิตเหมือนกันนะจิตดีอารมณ์ดีร่างกายก็ผ่อนคลายนะอารมณ์เครียดร่างกายก็ตึงเครียดรูปนามร่างกายคือรูปจิตวิญญาณคือนามมันอยู่ด้วยกันมันแยกไม่ออกนะไม่ใช่เป็นตัดตอนเอาแต่เรื่องกายภาพอย่างเดียวนะเราแข็งทนะื่อนะก็น นี่คือคำอธิบายเข้าๆนะก็จริงๆแล้วปฏิบัติเถอะเราเรารู้แล้วเราก็ยังไม่พ้นทุกข์ใช่ไหมนะเอาเวลามาปฏิบัตินะขณะหลับตามไม่ว่าจะก่อนหรือน่าจะก่อนทาหรือหลังทำเห็นจุดสีขาวสว่างๆหลายจุดอยากทราบว่าจุดนั้นคือสิ่งใดคะเหมือนคำถามเมื่อกี้นะเวี่ยงทิ้ง นี่อยากทราบแล้วเห็นไหมเราไม่เหวี่ยงทิ้งไงเห็นไหมอะไรแปลกๆไอ้ยอยากรู้อยากนี่คือที่มาของทุกอยากคือตัวตันหานะแต่ไม่เป็นไรคําถามนี้ก็บอกว่าเออต่อไปรู้มันเหวี่ยงทิ้งสมมุติว่าพ่อครูจะให้เราทําความสะอาดพื้นนี้ด้านที่เราต้องทําความสะอาดแต่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์พอถูไปปุ๊บ เฮ้ยเม็ดนี้มันเปื้อนเพราะอะไรอยากรู้เอาเข้าเป็นห้องแหบบไปวิจัยเอมเป็นหมึกนะต่อไปห้ามเอาหมึกมาสารานี้นะถูไปปุ๊บเม็ดนี้มันเปื้อนเพราะอะไรเอาไปห้องแแบถามว่าชีวิตนี้สารานี้มันจะสะอาดไหมเบี่ยงทิง้งไม่ต้องรู้สวรรค์เบียงทิง้งนรกเบียงทิง้งสีขาวเบี่ยงทิง้งสีดำเบียงทิง้งเบีวว่ยงทิงงทงงท้งหมด แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ต้องเหวี่ยงทิ้งอันนี้เป็นอาจาครูพูดนะเดี๋ยวว่าลบหลูพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระองค์พูดเองว่าระหว่างที่เราเดินทางเห็นพระพุทธองค์ฆ่าพระองค์ทิ้งเลยมารมันมาหลอกเราเราเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เราเห็นมันเป็นอุปทานจิตเดิมเราเนี่ยมันสร้างอุปทานมาสอบจิตปัจจุบันว่าเธอจะเหวี่ยงทิ้งไหมเห็นไหมเรากล้าเวี่ยงเพชรทิ้งไหม กล้าเหี่ยงทองทิ้งไหมเรื่องอะไรแม่ค้าคนหนึ่งหาบทองคําขึ้นภูเขานะหนักจนลิ้นห้อยเลยนะจนไม่มีแรงเลยแต่ก็ไม่กล้าวางเพราะมันเป็นทองคำไงไปเจอก้อนใหม่จับมาใส่อีกกลัวมันตายชานาะบางคนถึงครึ่งทางตกเหวตายบางคนมีพลังแบกไปถึงยอดเขาวางลงไปอุย้ยสบายสบายสบายเพราะอะไร เพราะไม่ต้องแบกเท่านั้นเองทองคำไม่ได้ใช้เลยเลยเห็นไหมเราไม่ยอมเวี่ยงทิ้งไงอะไรแปลกแปลกใหม่ๆฉันอยากรู้ไงเรื่องอะไรเวี่ยงทิ้งนะนั่งไปเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาอุ๊ยปื้มไปตีม า, ากเลยเรื่องอะไรเวี่ยงทิ้งไม่ใช่เวี่ยงพุทธเจ้าทิ้งเบี่ยงความยึดมั่นถือมั่นนะที่เราอยากรู้ทิ้งความอยากคือที่มาของทุก ขออนุญาตกาบเรียนถามพ่อครูครับเมื่อผมปฏิบัติสมถกรรมฐานเมื่อเข้าสมาธิแล้วเกิดสภาวะที่จิตนิ่งสงบไม่รู้สึกร้อนไม่หนาวไม่หนักไม่คันไม่ได้กลิน่นไม่รู้รสไม่มีภาษาไม่คิดดังคำที่ว่าจิตเดิมนั้นพิสุทธ ดำรงสภาวะนั้นอยู่ชั่วเวลาหนึ่งเท่าไรไม่ทราบได้เมื่อออกมาแล้วจึงมาพิจารณาสภาวะนั้นเกิดปิติอย่างยิ่งแต่ทราบว่าที่ยังไม่เป็นทางผลทาง้ลทุกข์ยังมีสภาวะของพระอริยะเจ้าที่สูงไปกว่านั้นแต่พอมาเจริญวิปัสนาสมาธิเวียงเข้าได้ที่สุดเพียง อุปจารสมาธิไม่ถึงอั ป, ปนาสมาธิพอเริ่มเป็นสมาธิร่างกายจะหยุดนิ่งเข้าสู่สมาธิแต่พอญาติธรรมปบมือมากเข้าสมาธิก็หลุดอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราติดสมาธิที่เขาตกมือเนี่ยทำให้เราหลุดออกจากสมาธิบางทีงงที่พรอครูวันก่อนมาพ่อหลวงพ่อชาบอกว่า มัวจะถือศีลนั่งสมาธิมันจะไปไหนมันก็อยู่สมาธิเหมือนคนอยู่กับสติละมันก็อยู่สตินะก็อยู่สตินะโจนก็อยู่ก็มีสติโจนก็มีสมาธิมันงั้นมันพ้นไม่สาเร็จก็มันไปติดสมาธิสมาธิทำให้เราเกิดความสงบแล้วก็ปิติยินดีเพราะว่าชีวิตเรามันวุ่นวายมากมันไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นทางผ่านแต่ทำไปทำมาเราก็ไปหลงติดสมาธิ เห็นไหมพอเขาเหวี kill, arriver, ่ยงแรงๆเนี่ยตบมือแค่ไหนยิ่งตบไปยิ่งมันใช่ไหมเขาไม่หลุดจากสมาธิเลยพอเราไปนั่งสมาธิทุกคนเงียบหมดเลยนะคนสามร้อยนั่งเงียบกาลังสบายอยู่มีคนเขาทําแก้วหล่นพางพลุตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยสมาธิหลุดถ้าสมาธิจริงๆต้องไม่หลุดพอเราเหวี่ยงเนี่ยพ่อคุยทดลองมาเมริกาใหม่ๆแต่ว่าสังคมไทยต้องระวังบางคนกลายเป็นทิฏฐิมานะ โดยเฉพาะตอนสมัยกว่านเราตื่นตีสีมานั่งเลยนะเพราะครูปรับเรื่อยๆให้มันเข้ากับวิถีชีวิตอย่าไปเข่งเคียดอะไรมากมายนะคนนั่งเงียบๆสิ่งวันรองเงียบๆนั่งคิดว่าสมาธิน่ยเพราะครูตีระฆังออกใหม่เลยนะแปังสะดุ้งกระพุ้งเลยนั่นเหนือสมาธิแต่คนที่เราเวียงเวียงแรงๆเนี่ยนะเอาะระฆังไปตีข้างหูแปังกระทบไม่กระเทือนไม่หลุด นี่จึงเป็นสมาธิแต่ไม่จบที่สมาธิเอากําลังสมาธินั้นนะ่ะเข้าไปในจิตในจิตไปเจริญวิปัสสนาแต่สมาธิที่เรากดเราใช้พลังสมาธิเนี่ยให้มันชนะความคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็สงบชั่วครู่นะนั่นแหละที่เขาตบมือเนี่ยให้เราดูเราดทีนี้ถ้าเราคิดอย่า ง, งว่าเอาา๊ะมันรบกวนฉันกำลังมีสมาธิอยู่ดีๆสมาธิเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าติดมันเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดี ติดอะไรก็คือไม่ดีนะในช่วงบ่ายของวันที่สามนั่งหมุนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าครับจึงนั่งสมาธินิ่งเมื่อไม่เคลื่อนไหวกลับเกิดสมาธิดำลงอยู่สักพักหนึ่งเกิดหมุนเวี่ยงเองเกิดนิมิตภาพมือกระบีกำลังลำกระบีรูปร่าง หอมชุดสีเทามีหนวดเขาพระมหายาณรู้สึกในมือมีกระบีมีกำหนดว่าเป็นภาพนิมิตแล้วเหียงทิ้งไปก็จิตเป็นสมาธินิ่งอยู่แต่ร่างกายหมุนไปจนหมดเวลาเราจะแยกอย่างไรว่าไหนนิมิตไหนระลึกชาติ ถ้าแยกปุ๊บมีการกระทําเกิดขึ้นเพราะความอยากรู้อะไรก็ไม่ใช่อย่าเสียเวลากับการหาความรู้ความรู้จริงๆคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาพิจารณาเรื่องนีเเนนาาน้เสร็จก็เป็นอนัตตาพิจารณาไม้นี้เสร็จก็เป็นอนัตตามีอะไรต้องรู้ไหมไม่ไม่ใช่สักอย่างหนึ่ง เรามีหน้าที่ผู้เจ้าบอกทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสสามอย่างไม่ได้บอกว่าให้เราต้องรู้เยอะๆใช่ไหมรู้ว่ามันเปื้อนก็ขัดออกแค่นั้นเองแต่นี้ความอยากรู้เราเราเป็นนักฝ่ายเรียนดูไงเราก็ไปติดบ่วงทีนี้มารกิเลสมามันชอบมากเออไปวิจัยเถอะพอวิจัยเสร็จ น, นี้เออกิเล่มันบอกดีใจเดี๋ยวมันเอาเรื่องใหม่ให้เราวิจัยอีกแทนที่จะ เ, เวลาไปเดินทางเห็น ไ, ไหมหลงป่า สิ่งที่เราต้องทำคือหาทางเดินออกจากป่าให้เร็วที่สุดไม่ใช่ไปฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นอยากรู้อะไรอ่ไปฝึกวิชาเดินป่าก่อนรอให้เสือมันมากินเนาะไฟไหม้ป่าเราตายในป่าวัฏสงสารนี่มาหลายรอบแล้วเนี่ยอย่าเสียเวลาเลยเดินไปแต่ตอนเดินนี่ไม่ใช้สมาธิไม่ได้นะขัดขาตัวเองลมไม่ใช้สติก็ทนต้นไม้ตกเหวนะต้องใช้มันใช้มันนี่คือมัค มักนี่คือใช้นะสมาธิคือกําลังฝึกไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เพราะครูพูดแล้วต่อต้านการฝึกสมาธิติไม่ใช่มันเป็นบาดฐานเบื้องต้นเป็นกําลังอย่างสังเกตครูบาอาจารย์ที่ฝึกสมาธ ม, มาแล้วพอเข้าไปในจิตคุมได้เลยแต่คนที่ไม่เคยมีพื้นฐานเข้าไปปุ๊บก็ถูกมันลากถูรูงตู ก, กลางเลยเห็นหมเพราะครูถึงดึงกลับมาแต่ว่าตอนแรกเราเร่งให้เพสัมผัสจิตก่อน ทีนี้เราก็ดึงถอยกลับมามาปูพื้นฐานนะมาเต้นเฉยอยู่กับปัจจุบันแหะมาสร้างกำลังแล้วทีนี้เข้าไปใหม่ต่อไปเราจะไม่ติดนะแต่ที่สำคัญต้องมีศรัทธานะถ้าเราไม่ศรัทธาแล้วเราจะเกิดข้อกังขาเราจะกลัวนะเป็นคนที่ท้องผูกมากค่ะเลยใช้เวลานั่งถทยในตอนเช้าพร้อมกับทำสมาธิเวียงประมาณ20นาที อยากรู้ว่าจะส่งผลอะไรหรือไม่คะส่งผลจะทำเราให้เราหายท้องผูกอันนี้สูตรแก้วทิพนะแก้วทิพเกิดมาเป็นเรื่องท้องผูกต้องอาศัยยาตลอดพอเข้าจิตกับคืนสู่สภาวะที่แกเด่นที่สุดคือวิชาพระโพธิสัตว์กวนอิมแกกินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินไม่ได้เลยที่ผ่านมาเนี่ย เขาก็เลี้ยงดูอยากให้โตเร็วๆกินเนื้อสัตว์มันก็เลยแพ้มาตลอดเพราะมันกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ทุกอย่างหายหมดเลยเห็นไหมแล้วก็วิธีเบี่ยงด้วยแล้วทุกวันนี้แกแกต้องกลับไปกินแต่แกแบบเจแบบไม่เข่งนะเพราะแกอยู่กับพ่อครูนานมิแต่ว่าเออกินผักนะไม่กินเนื้อสัตว์นะก็ทุกอย่างดีขึ้นท้องผูกก็หายไม่ต้องพึ่งยานะครับทําไมบางครั้งขณะนั่งอยู่เฉยๆ ถึงได้เข้าจิตได้เป็นเพราะอะไรไม่ต้องมีเข้าไม่มีออกละเมื่อจิตเราสตาร์ทติดแล้วเราจะดาเนินเมื่อไหร่ก็ได้กินข้าวอยู่ทำงานอยู่มันก็หมุนนะไอ้หมุนนี่เป็นตัวสติเรานะต่อไปเนี่ยสมมติว่าเราหมุนอย่างนี้นะมีอะไรกระทบมันเบี่ยงทิ้งถ้าได้ถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยคนอื่นเขาเล่นพวกคุณใสพวกอะไรเนี่ยเข้าตัวเราไม่ได้เข้าไม่ได้เด็ดขาดตัวนี้หละ เล่งสติหมุนกองล้อของธรรมาจักธธรำมาจักมันขับเคลื่อนแล้วนะมันหมุนแล้วก็รู้แต่เวลาไปนั่งกับคนอื่นอย่าไปหมุนแสดงร่างกายให้เขาเห็นนะให้มันหมุนอยู่ข้างในแต่ทีนี้ทําไมเราดึงมาดูกับร่างกายด้วยนะเพราะเราต้องการรวมกายเวทนาจิตธรรวมเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นมหาสติปัฏฐานส่วนสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาเขาเรียนทีละขั้น สร้างพลังฌานสร้างพลังสมาธิเนี่ยเข้าไปสู่จิตในจิตแล้วก็ไปเสพธรรมในธรรมได้และลึกชาติได้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้แสดงขึ้นมาทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยครูบาอาจารย์พ่อครูก็เป็นนะเนื่องจากนับนั่งทับตัวเองเป็นเวลาหลายสิปีเนี่ยจิตบรรลุธรรมแล้วแต่ว่ากายภาพเป็นอมาาพาธมันไม่ใช่ทางสายกลางมันเป็นการทรมานสังขารอย่างหนึ่งต้องไปด้วยกันแล้วมันพอไปด้วยกันเนี่ยมันจะรักษาร่างกายด้วย เห็น ไ, ไหมล้วจ่ายนี่กรรมทางจิตมันก็มาปรับสมดุลของดินน้ำลมไฟเอนใหญ่9 0้าอเอนน้อย 9,000 มีสติท่านหนึ่งก็มาจากอังกฤษเป็นคนไทยนะแล้วก็มาเที่ยวบ้านบังเอิญเป็นอมพ า, าษรักษาอยู่3ปีหมดเงินเป็นหลายล้านนะก็ไม่หายก็หมดหมดหวังละมีคนแนะนำมาที่นี่คิดว่าก็มาพักผ่อนเฉยๆเขาเดินแค่3ข้าวก็หอบลว เดินกระโ ก, กะเพกนะพอมาเวียงปุ๊บเนี่ยเขาเห็นเลยว่าอันนี้พูดเลยเพระกูไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเขาพูดให้ฟังว่าเขาเป็นเมียน้อยและเป็นเมียน้อยที่เลวมากแกล้งเมียหลวงเขาอยู่เรื่อยนะเขารู้แล้วว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้เขาเป็นโรคหัวใจโตนะแล้วเขาเห็นตอนเด็ ก, เดกๆเขาอยู่ต่างจังหวัดนะเขาไปเคยหักขายแย่ เขาเห็นเลยที่มาที่ไปของมันนะแล้วเขาก็โอดควรอยู่ในกรรมฐานนี่น้ำลายไหลาปากลองแล้วก็ดึงนิ้วตัวเองมาดึงก็ลองลองลอ ง, ลองยิ่งเจ็บมันก็ยิ่งดึงมันจ่ายหนี้กรังไงแล้วสุดท้ายเขาก็หายตอนนี้เขาหายเขานวดคนได้เลยนะเขารู้เลยว่าเอ็นใหญ่เก้เอ็นน้อย9 00าพมาทำให้เข็นใจเอ็นมันอยู่ตรงไหนเกิดปัญญาเลยเขาเดินไปที่พักบ้านพรอครูเนี่ยไปกลับเกือบ3ามกิโลเนี่ยเดินเฉยเลย ถ้าเราใช้ใจกล้าทํำไหมเจ็บวัวถอยแล้วอันนี้ยิ่งเจ็บมันมันก็ยิ่งทํามันคลายหมดเลยแล้วก็มันรับนียกรรมทางจิตนะเรื่องนี้มันต้องสัมผัส ด, ด้วยตัวเราเองไม่งั้นเราไม่เข้าใจนะนี่แหละเข้าจิตได้เป็นเพราะอะไรไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกล่ะเห็นไหมบางทีเรานั่งพ่อครูเคยมาอเมริกาใหม่ๆไปสอนเด็กมัธยมที่อำเภอพี่บูรนเนี่ยนะนะ แค่เสาอาทิตย์เด็กมาหลายร้อยคนเนี่ยเด็กมันมัธยมต้องระวังนะมันเพียวมากมันขึ้นแรงมากนะครูเขาตกใจเลยคิดว่าเอ๊ะประสกดจิตอะไรครูเขายืนมาบังหน้าพราะครูนะบังมันก็ไม่หยุดไงนะทีนี้พวกครูก็สอนอะไรเขาเรียบร้อยแล้วทิมิกม่เแค่แค่ไม่เวลาวันเดียวพอวันจันทร์มันไปโรงเรียนปุ๊บแค่มันนั่งมีสมาธิปุ๊บนี่มันหมุนในห้องเรียนเลย ครูต้องโทรมาที่นี่แก้แก้ทางโทรศัพท์นะเพราะครูต้งบอกว่าเราต้องมั่นใจก่อนนะถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยไม่ต้องให้หมุนเออเอาเทกจิ้งนาณาจิตตังเนี่ยปลูกมันตื่นก็พอแล้วเมื่อเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยค่อยๆหมุนหมุนช้าๆก่อนนะหมุนนี่มีประโยชน์นะจะทําให้เด็กมันมีปัญญามันเป็นการปลุกจิตสํานึกปัญญาเก่ามันขึ้นมาแต่ว่าอย่าชงชางนะเดี๋ยวมัน บางทีไม่เข้าใจเขาจับไปโรงพยาบาลนะไปฉีดยาอะไรั้นเป็นอะไรเนี่ยนะก็บอกทางบ้านถ้าเราปฏิบัติให้เข้าใจเพราะว่าบางคนก็อยู่สวนหน้าบ้านก็ตอนเช้าเหมือนออกกำลังกายนั่นแหละใช่ไหมหรือเราไปเต้นเป็นอะไรเนี่ยคนเขามองคิดว่าเรา e อ e r c i เซอรไซส์เนาะแต่ว่าต้องอยู่ในการที่ควบคุมได้นะอย่าไปปล่อยให้มันเต็มที่เลยนะเดี๋ยวมันคนข้างๆตัวเขาจะไม่เข้าใจ เขาจะส่งไปโรงพยาบาลนะสงสัยว่าฟังเพลงเข้าที่หูมารู้ที่ใจอาการรู้ที่ใจอยู่ตรงไหนคะเข้าๆนะตรงที่หัวใจมันเต้นน่ตอนพกักคุณระเบิดที่อเมริกาก็พาเขานั่งเนี่ยมีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งเขาเคยเป็นจ i มาลบาาที่สงครามเวียดนามเขาไม่เชื่อนะ เออไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่ต้องเสียสตังค์เขามานั่งลองดูพอมันเข้าจิตปุ๊บลุกขึ้นมาเนี่ยทุกคนตกใจหมดนะมันเอาปืนยิงป้าพ้างเลยมันเข้าไปเสืลเอลสองครามเวียดนามเลยนะเห็นไห อ, อ, อ น, หนี่คนนึงมาเขาพาเพื่อนเขาอีกคนนึงมาวันหนึ่งมันก็ไม่เชื่ออีกทีนี้เขานั่งยังไงก็ไม่ได้พราะกูก็ให้เขาเวียดนามเพราะมันมันหาหัวใจมันไม่เจอจับก็ไม่เจอไม่ได้ดังนะ จริงๆแล้วถ้าหัวใจเราไม่เต้นเราตายแล้วคนที่ไม่สงบจนไม่ได้ยินหัวใจตัวเองเต้นเลยนะนะถ้าเราทำให้เราเหนื่อยๆนะหัวใจเต้นปุบๆเนี่ยพับเดียวก็ไปเลยะมันดึงระหว่างใจเนี่ยไปง่ายๆเหลือเกินมันก็เข้าไปเลยหละคือบางทีเขามาท้าทายแหละนะพวกครูก็จริงๆแล้วไม่อยากทำอย่างนั้นนะคุณหมอคนหนึ่งนี่นะมาจากกรุงเทพนี่เป็นหมอที่ลมยาเนี่ยนะเป็นโรคชักกระตุก นะสามีก็ไปมีกิ๊กเมียอะไรก็ทุกมากไงแกบอกว่าแกฉีดยาที่แพงที่สุดในโลกแล้วมันก็ไม่หายมานั่งงี้กระตุกกระตุกงี้เพราะอะไรรู้ไหมกรรมที่เราไปดมยาเขาเนี่ยนะทำลายสติสัมปชัญญะเขาเนี่ยเหมือนเราเจตนาดีจะช่วยเขาเนี่ยเป็นกรรมนะรับกรรมนะทีนี้พ่อกูเห็นแล้วนี่น่าสงสารนะ เขาก็มีเวลาไม่เยอะตอนนั้นพอกวูพูดถึงมารยาทเราเสียมารยาทล่ะพะกวูส่งพลังให้แกหมุนได้เนาะพอหมุนได้เนี่ยก็ล้อออกมาใหญ่เพราะมันกดดันมานะมันเป็นอย่างนี้มันทุกข์มากนะเหมือนคนหายเลยชั่วโมงเดียวนะแต่พวกวูบอกคุณหมอไม่ได้หายจริงๆนะเขาทำให้คุณหมอว่าคุณหมอหายได้เป็นแค่อุปทาน ชั่วโมงนี้คุณหมอวางอุปทานมันก็หายจริงๆแล้วพวกครูเสริมพลังให้แกแค่ให้แกสัมผัสตัว น, นั้นได้นะนะแกหายอยู่วันหนึ่งนะดีใจมากช่วยงานในศูนย์นะวังคืนนอนหลับตื่นเช้ามาก็เป็นอีกกรรมมันยังไม่หมดแต่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องกายภาพจริงๆมันต้องไม่หายแค่เราวางอุปทานตร น, นั้นนะ่ะมันก็ไม่เป็นอะไรนะ นัละรู้ที่ใจตรงที่หัวใจมันเต้นไม่ต้องตั้งใจหรอกเข้าๆนะร่างกายเวี่ยงไปตามมันนะเดี๋ยวมันก็เกิดอาการขึ้นมาเองหนูไม่รู้สึกว่าหัวใจเต้นเลยและพอเข้าแล้วบางคนเห็นอะไรถ้าเราไม่เห็นไม่รู้สึกอะไรเลยคืออะไรครับก็คือเราไม่เห็นอะไรเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบเขานะ ไอ้ที่เขาเห็นน่ยมันที่เขาเห็นจะเขาร้องไ ห, ห้ไม่ทุกข์มากเลยเห็นไหมละ่ะเราอยากทุกข์เหมือนเขาไหมเออไม่เห็นก็ดีแล้วเห็นก็ยังดีทุกข์ก็ยังเห็นดีไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นตามทําไปเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยๆเนาะบางทีมันเกี่ยวกับไทมิ่งเกี่ยวกับเวลาด้วยแต่ก่อนเป็นคนใจเย็นมากๆหลังจากทําอส D กลายเป็นคนใจร้อนไปเลยค่ะ นะเราไม่ใช่ใจร้อนหรอกเราใจร้อนอยู่แล้วที่ผ่านมาเรากดมันไว้เท่านั้นเองนะเราใช้สติเราใช้มารยาทกดมันไว้ตอนนี้เอสเดียกำลังพยายามใช้อุบายให้เราปล่อยวางนะในช่วงที่เรากำลังปลดปล่อยอยู่เนี่ยต้องระวังหน่อยหนึ่งเราปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใช่เราโกรธมากขึ้นนะ มันเหมือนเก่าหรือมันน้อยกว่าเก่าอีกแต่เราเห็นมันชัดขึ้นนะช่วงนี้ก็ต้องใช้สตินะแล้วแล้วมเมาออกตอนที่เราแหกปากร้องน่ะมาโกรธตอนนั้นน่ะออกให้มันหมดเลยแล้วต่อไปเนี่ยมันก็สบายอย่าไปกดมันไว้แต่ช่วงที่หัวเรี่ยวหัวต่อที่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเกิดอาการแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่เป็นเนื่องจากว่ามาฝึก s อสแดี D เราเป็นอย่างนี้เราเป็นอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเราคุมมันไว้ นะเรามีมารยาทคุมไปเราเครียดนะอย่างนี้ไม่ดีนะนานๆไปเนี่ยแหละคือเชื้อมะเร็งกาบเรียนถามพรอครูว่าน้ำฝนมีสารอาหารหรือที่มีประโยชน์บ้างคะมีประโยชน์เยอะแย ะ, ยะมันเหมือนอาหารอย่างหนึ่งนะเรากินผักกินเนื้อสัตว์อะไรมันก็มีอะไรมันทีนี้ที่พราครูบอกว่าไม่ใช่เฉพาะน้ำฝนนะน้ำธรรมชาติทุกอย่างนะ แล้ว่าถ้าน้ำที่ว่าน้าฝนเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีมีมีมีมีมลภาวะอะไรอะไรเนี่ยกนกลายเป็นพิษด้วยนะนะแต่อน้้ำที่เราฆ่าเชื้อหมดแล้วมันไม่มีจุลินทรีย์อะไรเนี่ยนะมันเป็นแค่ระคายคอเฉยๆนะเออเหมือนเรากินข้าวมันก็มีน้ำอะไรเนี่ยแล้วก็เห็นไหมเราเหงื่อไขลออกมาเนี่ยมันต้องมันต้องเบียเลียงร่างกายเพียแต่ว่าไอ้น้ำที่เขาฆ่าแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยแทบจะมีน้อยมาก หลายคนตอนนี้ในเมืองเกิดเป็นโรคภูมิแพ้กันนะน้ํานี่ยน้ำธรรมชาติเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่นั่นแล้วเนี่ยในตัวเราเนี่ยคนไทยบอกน้ําใจเห็นไหมเรามีน้ํากินที่นี่ที่ศูนย์เนี่ยน้ำกินเราใช้น้ําฝนน้ําใช้อาบเนี่ยเราใช้น้ําบาดาลน้ํำพ่อปลูกเราใช้น้ําเขื่อนนะคนเราต้องมีน้ํากินน้ําใช้น้ํำพ่อปลูก น้ำที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำใจเรากำลังไปปลุกน้ำใจเราขึ้นมานะมนุษย์เราต้องมีสี่น้ำนะในตัวเรามีน้ำา 70% ถ้าน้ำมันเครียดนะร่างกายก็เครียดไปด้วยนะถ้าน้ำเราเนี่ยมันมันสดชื่นเนี่ยเนี่ย น, น้ำใจเนี่ยมันน้าน้าใจเนี่ยมโนธาตุเนี่ยเขาเปรียบเสมือนคล้ายๆน้ำ น้ำเราไปแช่เย็นมันก็เย็นแต่ยังเป็นของเหลว อ, อยู่ยังไม่ตั้งมัน่นใส่แก้วก็กลายเป็นแก้วใส่ชามก็กลายเป็นชามแต่ถ้าเราไปแช่แข็งมันกลายเป็นของแข็งเห็นไหมของเหลวกลายเป็นของแข็งถ้าเอาน้ําแข็งนี่ไปต้มมันเดือดปุ๊บหายตัวกลายเป็นอากาศธาตุนี่คือเหล็กไหลนะไอ้ที่ว่าไปหาเหล็กไหลไหลเนี่ยทุกคนมีเหล็กไหลอ ย, อยู่แล้วนะถ้าเราฝึก เราเนี่ยตั้งมั่นดังขุนเขาเนี่ยนะไม่แปรเปลี่ยนอะไรก็รู้เท่าทันมันเนี่ยนะนั่นแหละเราทําให้มันเย็นก็เย็นใจทําให้มันร้อนก็ร้อนใจน้ําก็เหมือนกันแต่ตอนนี้น้ํามนุษย์เราทําให้มันเปื้อนไปหมดละเพนกว่าที่นี่ยังเป็นบุญอยู่มันไม่มีโรงงานมันยังใช้ได้นะครับอยากขอคําแนะนําพ่อครูในการปฏิบัติเวลาที่อยู่ที่บ้านค่ะนั่งทําคนเดียว ในกรณีที่เรานั่งเวี่ยงหรือเต้นนานาจิตตังเวลาเข้าจิตแล้วจะต้องทำอย่างไรเวลาที่เราจะหยุดเวี่ยงหรือเต้นคะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างขอคำแนะนำคะ่ะก็คือต้องคุมมันให้ได้สติปัญญาต้องไปด้วยกันจิตคือตัวปัญญาไอ้สายที่เราไปฝึกสตินะเราก็เน้นสติมีสติมากเหมือนหุ่นยนต์เลยนะ แต่ไม่มีปัญญาไอ้ที่เราทำนี่ปัญญาเกิดขึ้นเร็วมากสติมันไล่ไม่ทันนะมันก็ถูกปัญญาของจิตจิตมันต้องการปลดปล่อยตัวเองเนี่ยแต่ชีวิตเราต้องอยู่กับสมมุติบัญญตัติชีวิตเราต้องอยู่กับข้างนอกเราจะทิ้งสมมุติไม่ได้นะแต่เวลาเข้าไปจิตเราอยู่เหนือสมมติอ่ะแน่นอนเราต้องอิสระ แต่เวลาออกมาชีวิตเราเราเข้าไปในจิตเราไปแลลึกชาติก็ช่างเพื่อเอาบารมีตัวนั้นมาใช้ปัจจุบันมาปลดปล่อยจิตปัจจุบันนะก็คือทําเท่าที่เราคุมได้นี่คือทางสายกลางนะนะต้องคุมได้จริงๆแล้วถ้าเราชํานาญแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านเรารู้เลยสเปซเราแค่ไหนเราก็ทําแค่ที่ที่มันทําได้นะหลายท่านที่มีพื้นฐานสติแล้วเนี่ยถึงจะเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราควบคุมมันได้ นั่นคือกายเวทนาจิตทารวมเป็นหนึ่งเดียวนะก็อย่าประมาทที่สำคัญคืออย่าไปอยู่ใกล้ของแข็งถ้าพื้นเป็นอะไรเนี่ยข้างหลังนี่ก็มีเบาะโดยเฉพาะหัวเรานะแล้วก็รัศมีบางทีเราจะเห็นอะไรในอดีตนี่ลกเฟี้ยงมือออกไปเนี่ยมันจะไปโดนของแข็งเท่านั้นเองและที่สำคัญสิ่งนั้นเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะ เกิดเขาเกิดอาการที่เขาจะเบิดออกเนี่ยมันจะส่วนมาก 7, เจ็ดเอซนี่ยมันจะหายไปข้างหลังนะแต่ถ้าเกิดแล้วไม่มีเบาะอะไรรองนเนี่ยเราจะหยุดมันเราจะพลาดโอกาสบางทีกว่าจะฝึกอีกหลายปีกว่าจะถึงอารมณ์นั้นนะตอนนั้นแสดงว่าเราไม่กล้าปล่อยแสดงว่ามันสอบจิตเราแล้วถ้ายังกลัวอยู่เนี่ยมันบนรรลุธรรมไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ลงไปเลย เวลาถ้าล ง, ถ, งถึงไม่ถึงขั้นหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมอย่าง น, น้อยมันก็เอาธรรมลมก้อนใหญ่ๆออกแล้วจะโล่งไปเลยใช่ไหมมันก็จะเอาสะาสางแต่ 70% รนะเพราะมันลูกใหญ่ๆมาเนี่ยจิตมันจะหลุดพ้นมันไม่หนีไปไหนนะมันอิสระจากความเป็นทาตของใจก็ไม่ต้องเข้าไปลึกน ะ, จะเจริญแค่มหาสติปทานที่เราเข้าลึกนั่น มันเป็นบุคเพนิวาสานุสติยานเป็นการระลึกชาติเป็นการไปเรียนรุกอดีตก็เกิดปัญญาระดับหนึ่งมันเป็นไม่ใช่เรื่องเสียหายผู้รูเจ้าก็ทําอย่างนั้นแต่ถ้าคนยังไม่มีฐานสติเนี่ยอย่าพึ่งใจร้อนดําเนินสะสมแต่งไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าไปอย่างสุ ข, ขุมรอบคอบนะครับส่วนเห็นเพื่อนบางทีขึ้นไม่ใช่เขาอยากเป็นอย่างนั้นนะบางทีวิบากกรรมตัวนั้นมันแรงมันจะลากมันจะสะสารกดีความนะ่ยเราก็ไม่ต้องตกใจ นะถ้าเราเห็นแค่ไปดูแลความปลอดภัยให้เขานะถ้าเราไม่มีงเงินก้อนเวลาปล่อยเขาทําไปเรื่อยเดี๋ยวมันหมดแล้วเขาก็จะหยุดเองหนูอยากรู้ว่าทําไมเวลาหลับตาพอจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วและพอออกแล้วหลับตาทําทําให้ทําไมยังเข้าถึงได้อีก แล้วพอทำแล้วเต้นแรงเข้าถึงแล้วแต่พอตื่นมารู้สึกสบายไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยเลยคะเห็นไหมเจอไม่เหมือนกันบางคนเมื่อยบางคนเจ็บเห็นหมบางคนปฏิบัติแล้วเนี่ยนอนสบายอีกมันเป็นนาน า, นานจิตตังล่ะเราเรียนรู้ว่าเออทุกอย่างมันไม่เหมือนกันไม่ต้องเรียนแบบกันนะเมื่อเราชนานาญแล้วเนี่ย ไม่มีเข้าไม่มีออกเราจะให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่ใช่เราฝึกสัมมาทากสมาฐานนะ30สิปีฝึกมาบางนี้บางทีวันนี้ก็ไม่สงบนะต้องนั่งนับหนึ่งใหม่นะแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ถ้ามันหมุนแล้วเนี่เราจะหมุนเมื่อไหร่ก็ได้นะก็อันสุดท้ายแล้วเนาะได้เวลาเดี๋ยวไปทานข้าวอันนี้พี่สาวที่มาปฏิบัติเดินทางกับกรุงเทพแล้ว แต่ยังคงเกิดตัวร้อนเป็นไข้สูงมากทานยาเท่าไหร่ก็ไม่ลดนอนสมตั้งแต่เมื่อคืนพ่อครูกรุณาอธิบายให้ฟังว่าเป็นธรรมลมที่เกิดจากการปฏิบัติแต่ช่วงระหว่างที่ตัวร้อนเป็นไข้นี้ควรจะฝึกลุกขึ้นการปฏิบัติต่อหรือควร ควรหยุดนอนพักสองสามวันจนไข้หายแล้วค่อยปฏิบัติต่อปฏิบัติต่อถ้าไม่มีแรงก็นอนหมุนเห็นไหมกินยาแค่ไหนมันก็ลดไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องกายภาพมันเป็นธรรมอรมมันเป็นธรรมอรมแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็กังวลเราเราไม่สบายอะไรเนี่ยเขากำลังปรับสมดุลนะโดยเฉพาะครูสมัยก่อนเป็นธาตุไฟ ถ้าไค่ธาตุไฟเยอะเนี่ยนะช่วงสามชั่วโมงนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่ว่าผมมันเวียงแรงๆปุ๊บเนี่ยมันเหมือนฟึบธาตุไฟออกจากล่างพคูเนี่ยฟึบแต่ละครั้งนี่เหมือนเราเบาฟึบแต่ละครั้งเหมือนเบามันปรับสมดุลไงเพราะธาตุไฟเรามากกว่าเห็นไหมตัวร้อนพระแขความดันขึ้นบักสูงเลยล่ะยาอะไรก็เอาไม่ลงแต่ว่าถ้าเราไปกลัวมันเนี่ยนะความกลัวทําให้เสื่อม ทำให้เราไม่มีพลังนะคุณแม่วันแรกนอนหลับวันที่สองนอนไม่หลับคุณแม่บารมีเยอะอะคนผู้อาวุโสบอกนอนไม่หลับแต่ท่านก็ยังมาเต้นทุกวันใช่ไหมแต่ถ้าเราไปกังวลเมื่อไหร่หมดแรงเลยนะมันเป็นอุปทานนะนี่แหละต้องศรัทธานะต้องศรัทธาจิตมันกําลังปรับสมดุลอยู่นะนอนทําก็ได้นะนอนทําแล้วก็หมุนไป นะก็คำถามหมดแล้วนะก็ทุกคนจะได้ไปทานข้าวกันก็ไม่เป็นไรถ้าใครยังมีคำถามอะไรๆ อ, อยู่เน่ก็เขียนทิ้งไว้นะพราะกูจะบรรยายทุกๆวันอาทิตย์อยู่แล้วโอเคนะไปทานข้าวกันขอบคุณมากที่พ่อครพ่อกูลบกวนเวลาพวกเรา